นอบน้อมต่อคุณพระรัธนตรัยโอกาสเพื่อนสัตมิลทุกท่านจเจริญธรรมม่ชีและญาติธรรมทุกท่า น, นการที่เรามา <c oughs> ศึกษามาปฏิบัติธรรมในพุทธศาสนานั้ น, นะจะมีคําสอนอยู่มากมายประมาณ 84% ดหมพันพระธรรมขันธ์การนี้ที่คําสอน <c oughs> มีมากมายนั่นแหละบางทีถ้าเราจับประเด็นไม่ได้นะเราก็จะ อ่าไม่รู้ว่าจริงๆแล้วหลักการคืออะไรจริงๆแล้วหลักการในพุทธศาสนานี่มีแค่สองอย่างเท่านั้นนะก็คือให้ให้เห็นความทุกข์นะเห็นความทุกข์ประการต่อมาคือให้ปฏิบัติเพื่อการพ้นทุกข์นั้นนะจะมีอยู่แค่นี้เท่านั้นเองนะเพราะถ้าใครไม่เข้ามาสู่ตรงนี้มันก็จะผิดทางนะ คือการที่เรามาปฏิบัตินั้นก็เพื่อสู่ทางพ้นทุก์เท่านั้นนะไม่ได้เพื่อเหตุอื่นเนาะไม่ได้เพื่อมีคุณวิเศษต่างๆนะเช่นมีตาทิพหูทิพถอดจิตหรือไปรู้เห็นสิ่งต่างๆที่มันนะมันเกินความปกติไปที่ไม่ใช่ทางพ้นทุกเนาะเพราะฉะนั้นผู้ปฏิบัติที่ผิดเพี้ยนนะผิดเพี้ยนคือปฏิบัติเพื่อต้องการอย่างอื่นนะ นะคุณวิเศษต่างที่ที่เกินนะความปกตินะหูทิพตาทิพหรือนะมีอะไรสักอย่างหนึ่งเจโตวิมุตต์นะหรือไปเห็นสิ่งต่างเหล่านั้นนะอันนั้นจริงๆแล้วไม่ใช่ทางพ้นทะุกนะเพราะนั้นผู้ก็เป็นหนทางให้ผู้ปฏิบัตินั้นนะกลายเป็นผู้ที่วิปริตนะเพี้ยนไปได้ง่ายๆนะ เพราะฉะนั้นถ้ากลับมาถูกทางว่าปไิบัติทางเพื่อเพื่อความพ้นทุกข์แล้วอันนี้เป็นทางตรงนะพระพุทธเจ้าเนี่ยที่ท่านออกไปบัติธรรมนะออกจากการที่เป็นเจ้าชายศรัท ธ, ธานะอยู่ในประสาทสามฤดนะูมีนะมีภรรยาที่สวยงามนะพระเมรสีสวยงามมนะีเจ้าชายนะที่นะยังเล็กๆอยู่ จริงจงแล้วท่านก็เพื่อหาทางพ้นทุกเท่านั้นเองนะปฏิบัติ6ปีก็เพื่อทางพ้นทุกไม่ได้ปรารถนาอย่างอื่นเลยนะตรงนี้จึงเป็นเป้าหมายที่สําคัญเนาะอย่างในสมัยที่อาตมาออกบุญใหม่นะตอนนั้นก็อยู่อีกวัดหนึ่งนะก็มีมีพระองค์หนึงก็เพิ่งบวชใหม่เหมือนกันนะครับก็บอกว่าท่านจริงๆแล้วท่านเมื่อก่อนท่านรับรายการนะก็ราออกจาก ร, รับรายการด้วยยังหนุ่มอยู่เลยบอกว่าปฏิบัติธรรมเนี่ยถ้า เก้าปีแล้วยังไม่ได้คุณวิเศษคือเช่นตาทิพูทิพต่างๆเป็นต้นท่านก็จะศึกเนาะแล้วในพรรษาท่านก็ตั้งใจปฏิบัติธรรมมากเพราะบรรษานี่อีกไม่นานท่านก็ศึกไปนะเพราะท่านคงจะไม่ได้คุณวิเศษอย่างที่ท่านต้องการเนาะอันนี้ก็จะเห็นว่าจริงๆแล้วท่านก็เข้าใจผิดนะเพราะการโบวชนั้นไม่ได้เพื่อที่จะต้องการอะไร น, ะนอกเหนือไปจากการพ้นทุกเนาะเพราะฉ่านั้นเราไปบัต เพื่อการพ้นทุกเนี่ยมันจึงถูกทางนะเพราะว่าอย่างที่บอกแล้วว่าในพุทธศาสนานั้นนะก็มีอยู่แค่สองอย่างก็คือให้เราเห็นทุกเราเห็นไหมนะอย่างที่เมื่อกี้เราก็สวดไปนะชาติเป็นทุกขา์าความเกิดก็เป็นทุกขนะ์ชาลาเป็นทุกขา์าความแก่ก็เป็นทุกข์มรณะเป็นทุกข์ขังความตายก็เป็นทุกข์โศกปริเทวทุกขโทมนาะสุปายาสาปิความโศกความร่ําไรลําพันธ์ ความไม่สบายกายความไม่สบายใจความคับแค้นใจก็เป็นทุกขนะ์การที่ประสบกับสิ่งไม่เป็นที่รักก็เป็นทุกข์พัดภาคจากสิ่งที่รักก็เป็นทุกข์ความปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นๆก็เป็นทุกข์ว่าโดยโยอ่อผทานขันทั้งห้าเป็นตัวทุกขนะ์อันนี้ก็คือพระพุทธเจ้าให้กลับมาเห็นในสิ่งเหล่านี้นั่นแหละว่าจริงๆแล้วมันก็คือความทุกข์ตงนั้นนะก็เคยชวนคนมาปฏิบัติธรรม เขาถามว่าปฏิบัติไปทำไมก็บอกว่าปฏิบัติแล้ ว, วความทุกข์ก็จะน้อยลงเขาบอกว่าเขาก็ไม่เห็นมีความทุกข์อะไรเลยนะเพราะนั้นเขาก็เลยไม่ปฏิบัติทำเนาะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ว่าคนรู่ไปก็เข้าใจเช่นนั้นนะเนะนะพราะนั้นการที่เราเห็นทุกข์นี่แหละมันจึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากเนาะความทุกข์มันไม่ใช่ว่าเป็นสิ่งที่ใหญ่โตอะไรอ่านะเป็นเรื่องของนะความพัดพลาดหรืออะไรที่ใหญ่โต จริงๆแล้วเป็นสิ่งที่ปรากฏในขณะนี้ของเราเท่านั้นเองนะเรานั่งครึ่งชั่วโมงแล้วเราปวดเมื่อยไหมเนะอันนี้ก็เป็นทุกข์นะเราหนาวปวดเราหนาวก็เป็นความทุกข์นะปวดเจรปัสวะขณะนี้ก็เป็นทุกขนะ์เราหิวก็เป็นความทุกข์เราง่วงก็เป็นความทุกข์เราเบื่อก็เป็นความทุกข์เนาะนี่ก็คือความจริงในขณะนี้มันก็ปรากฏทุกข์ที่เราเห็นอยู่แล้วนะเราเราเห็นในตรงนี้ไหมใช่ไหม ความทุกข์เป็นสิ่งที่เรียกว่ามันเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปตลอดเวลาเราเห็นเขาไหมนะถ้าเราเห็นความทุกข์แล้วเราจะรู้ว่าเร า, าเรามาปฏิบัติธรรมเพื่ออะไรนะก็เพื่อความพ้นทุกข์เท่านั้นเองแล้วจริงๆแล้วถ้าเราปรารถนาพระนิพพาน น, นนั้นก็ไกลไปนะบางคนบอกว่าออต้องปฏิบัติเพื่อพระนิพพานแต่ว่าพระนิพพานไม่รู้ว่าอยู่ไหนนะต้องให้ชาติหน้าก่อนนะจึงบรรลุพระนิพพานนะ แต่ความจริงนะเราเรารู้ไหมว่าจริงๆพันิชพาเนี่ยมันอยู่ในคําว่านิโรธอยู่แล้วนะั้นนิโรธคืออะไรนิโรธก็คือการทําให้ถึงที่สุดแห่งทุกข์นั่นเองคําว่านิโรธก็แปลว่าดับนะเพราะนั้นทุกข์นิโรธก็คือการดับทุกข์นะั่นแหละผู้ใดดับทุกข์ได้ผู้นั้นก็ถึงพันิชพาแล้วเนะมันไม่ใช่ว่าต้องไปดับในชาติหน้านะแต่ปัจจุบันเรามีความทุกข์ชาติหน้าก็มีความทุกข์อยู่ดีนะเพราะฉะนั้นต้องดับในในชาตินี้แหละ แล้วจริงๆก็ต้องดับในขณะปัจจุบันนี้ด้วยนะมีความทุกข์เกิดขึ้นก็รู้ทันไปรู้แล้วก็อย่าไปอยู่กับเขารู้แล้วก็ปล่อยเขาไปนะทุกข์ไม่ต้องไปไปรักษาไว้ไม่ต้องไปไว้ทุกข์นะแต่ทุกข์มีเวละมีไว้ปล่อยมีไว้วางต่างหากนะเพราะฉะนั้นถ้าผู้ใดเข้าใจเช่นนี้ก็จะพ้นทุกข์ได้เร็วแต่ถ้าผู้ใดไม่เข้าใจเช่นนี้ก็พ้นทุกข์ช้าแล้วก็อาจจะไม่พ้นทุกข์ได้เพราะหนทางจริงๆมันเป็นทางตรงอยู่ที่ว่าเราเราเดินถูกทางไหมต่างหาก อครา้นี้นะการที่เราทุกข์นี่ก็มีอยู่สองทางคือทางกายและทางใจนะทางทางกายนี่ก็เรียกว่าเราเราทุกข์อยู่บ่อยๆนะเราไม่สามารถที่จะดับทุกข์ได้อย่างแท้จริงหรอกเมื่อเรามีสังขาร น, นี้นะมันก็ต้องมีความแก่ความเจ็บความตายเป็นธรรมดานะอันนี้ก็เป็นทุกข์ประจําสังขารแล้วก็มีทุกข์ต่างๆจรอนใหม่มากมายน ะ, ะเราเราหิวแล้วก็ไปทานอาหารนะเดี๋ยวก็หิวใหม่ ใช่ไหมเรานอนนะเราก็เราง่วงเราก็ไปนอนนะแต่ก็ไปไปนอนใหม่นะเราปวดเมื่อยเราก็ลุกขึ้นมาเดินอ่าเราก็กลับมานั่งใหม่ใช่ไหมนะมันมันเป็นสิ่งเราแก้ทุกมากกว่าในะในร่างกายนี่แหละเป็นสิ่งเราเราแค่บรรเทาทุกข์มันจะดับทุกจริงจริงไม่ได้นะเพราะเมื่ อ, อไรที่มีร่างกายอยู่มันจะต้องดูแลรักษาก็ไปเรื่อยๆเนาะ <c oughs> ส่วนอาการดับทุกข์ที่แท้จริงอยู่ที่ไหน อยู่ที่จิตใจเราต่างหากเนาะใจเราเนี่ยมันมันจะมีความทุกข์นะอย่างที่ว่านั่นแหละคืออารมณ์ต่างๆมันจะนำความทุกข์มาให้เรานะมีความโลภความโกรธความหลงต่างๆล้วเนี่ยจะนำทุกข์มาให้เราแต่สิ่งแล้วเนี่ยเป็นสิ่งที่ทำให้คนไปฆ่าตัวตายได้นะเป็นสิ่งที่นำความทุกขนะ์มากมายมาสู่คนเรา แ ต, แต่ว่าจากการที่ความร้ายแรงของความทุกข์ในทางใจเนี่ยอันนี้เรากับสามารถที่จะละได้ยันเด็ดขาดเนาะเพราะพระอรหันต์นั้นท่านสามารถดับทุกทางใจได้แล้วส่วนทุกทางกายท่านก็คงมีไปตามปกตินั่นแหละแต่ใจของท่า น, นไม่มีทุกข์แล้วเพราะฉะนั้นการดับทุกข์ก็คือเรามาดับทุกทางใจนั่นเองนะในพุทธศาก็หมายถึงว่าการดับดับทุกทางใจนะ การดับทุกข์ทางใจนั้นนะเราก็ต้องรู้สาเหตุของความทุกข์นะมันก็มาจากสาเหตุอะไรนะข้อ น, นี้ก็มีกล่าวไว้ในข้อสมุดไทยนะสมุดไทยสาเหตุแห่งทุกข์นะก็คือยายยังตันหาโปโนภวิกาณันทิลาคสาตาตัตระตตลาพินันทินีนะก็คือความเพลิดเพลินไปอย่างยิ่งในอารมณ์ต่างๆเหล่านี้อันเป็นเหตุให้มีการให้นําไปเกิดอีกนะก็ได้แก่เสรยธิทาง กา ร, รตัญหาคือตัญหาในกามอันได้แก่รูปลดกลิ่นเสียงโผฏฐพัะธรมลลมเนาะอันต่อมาก็คื อ, อเพราะว่ัญหาก็คือความอยากได้อยากมีอยากเป็นทั้งหลายเนาะเราเราอยู่ในทางโลกเราก็อยากได้นะอยากได้เงินได้ทองอยากได้ชื่อเสียงเกียรติยศต่างๆเราเนี่ยก็คือความอยากได้นะพอมาเป็นนักปฏิบัติเราก็อยากได้อีก อ, อยากได้อะ สติสมาธิปัญญาอยากได้ความรู้สึกตัวอันนี้ก็เป็นภาวตัณหาเหมือนกันเนาะต่อมาก็คือวิภาตัณหา <c oughs> ก็คือความผักใสความไม่อยากได้ไม่อยากมีไม่อยากเป็นสิ่งที่เราไม่ชอบใจก็ผักใสเขา อ, อารมณ์ที่ไม่ชอบใจก็ผักใสเขาความโกรธแล้วไม่ชอบเราก็ผักใสเขาต่างๆเป็นต้นอันนี้ก็เป็นวิภาตัณหาเนาะเพราะฉะนั้นตัณหานี่แหละสามอย่างนั้นก็เป็น สาเหตุแห่งความทุกข์สาเหตุความทุกข์ก็คือเราก็ต้องละในสิ่งเหล่านั้นนะสิ่งเหล่านี้นะมันเกิดจากว่าอย่างเช่นการประตันหาเนี่ยแหละรูปรสกลิ่นเสียงผลทพธาธรมลมทั้งหลายเนี่ยอันนี้เราก็ต้องรู้ทันในวัยนะเพราะว่าเป็นสิ่งที่ว่ามันเกิดขึ้นแล้วนะเราสามารถรู้ได้ไ ด, ได้ทันไหมนะตาเห็นรูปเนี่ยมันเกิดความยินดีเกิดความยินร้ายหรือพอใจเรารู้ทันไหม นะตรงนี้มันเป็นสิ่งที่เราสำคัญนะต้องรู้ทันใ้วัยนะจริงๆแล้วการที่เราเกิดนะความยินดีหรือยินร้ายนั่นะนะมันก็เป็นทุกข์แล้วนะทุกข์เป็นสิ่งที่อะไรนะทุกข์เป็นสิ่งที่เราต้องรู้นะในนะอริ ส, สัต4นะกิจของทุกข์นะกิจของทุกข์ก็คือต้องรู้นะรู้ว่าขณะนี้เกิดอะไรขึ้นมาในใจเรานะมีความรักความพอใจความเกลียดความโกรธ ความกลัวความเหงาความเครียดความหึงหวงความอิจฉาความน้อยใจความเสียใจนี่แหละคือความทุกข์คือรมของใจที่มันทำความทุกข์ให้เราแล้วเราก็ต้องรู้นะอ่ากิจของอริสสัตต4ในข้อทุกข์ก็คือต้องรู้นะสำคัญว่าเรารู้ไหมเนาะอ่ถ้าเราไม่รู้มันก็ไปปรุงแต่งนะปรุงแต่งเป็นตันหานะตันหาคือความทะยันยางในรมเหล่านั้นนะแล้วมันก็กลายเป็นอุปทานก็คือความยึดติด ในอารมณ์ในสิ่งที่อยากได้ในสิ่งที่มีที่เป็นเหล่านั้นนะแล้วจากการยติอุปทานมันก็นําให้เราไปเกิดพบเกิดชาติต่างๆมากมายเนาะเพราะฉนั้นประการแรกเราก็ต้องรู้เท่าทันอารมณ์ต่างๆในใจของเราให้ไวนะการรู้เท่าทันนั้นนะมันรู้อย่างไรนะมันก็มารู้ในข้อที่พระเจ้าได้ทรงตัดไว้ในจิตจานุปัสนาสติปทานในสติปทาน4 ก็คือจิตมีราคะก็ให้รู้มีราคะจิตไม่มีราคะก็รู้ไม่มีราคะจิตมีโทสะก็รู้มีโทสะจิตไม่มีโทสะก็รู้ไม่มีโทสะจิตมีโมหะก็รู้มีโมหะจิตฟุ้งซ่านก็รู้จิตฟุ้งซ่านจิตตั้งมั่นก็รู้ว่าจิตตั้งมั่นต่างๆเหล่านี้เป็นต้นก็คือให้รู้ตามที่ก็เป็นตามความเป็นจริงเราไม่ต้องไปแทรกแซงพระเจ้าไม่ได้บอกว่าจิตมีราคะก็ให้ละราคะจิตมีโทสะก็ให้ละให้ดับ โทสะนะท่านเพียงแต่ให้เรารู้ไปเท่านั้นเองนะครั้นี้เราเราก็รู้ไปนะเรารู้นะจิตเรามามีโทสะมีความโกรธเกิดขึ้นเราก็แค่รู้เท่านั้นเองนะเราไม่ต้องไปจัดการอะไรเขานะไม่ต้องไปผักใสเขาแล้วก็ไม่ต้องไปอยู่กับเขานะเราก็แค่รู้เฉยเฉยเท่านั้นเองนะรู้เฉยเฉยโดยที่ไม่ต้องไปจัดการกับเขานี่แหละมันเป็นการที่เรา ว, ว่าเราเรารู้ตามความเป็นจริงนะ <c oughs> ไม่ใชนะ่ไปจัดการกับสิ่งต่างๆเหล่านั้น เนะพราะสิ่งเหล่านั้นก็คือความทุกข์นั่นเองเราก็มีหน้าที่รู้นะแล้วหลังจากที่เรารู้เขาก็จะแสดงบางอย่างเราเห็นถึงการที่เขาเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปตามความเป็นจริงนะแต่ถ้าเราไปจัดการเขาได้นะมีความโกรธไปจัดการให้เขาดับไปมันก็กลายเป็นว่าเราบังคับบัญชาเขาไดนะ้เราจัดการเขาได้แล้วนะตรงนี้มันจะกลายเป็นว่าเรามีตัวมีตนที่สามารถที่จะไปบังคับบัญชานะไปจัดการเขาได้นะ แล้วเราก็ไม่เห็นการที่เขาเกิดระดับตามความเป็นจริงนะตรงนี้มันจะต่างกันนะคือการบัดทําำที่แท้จริงก็คือให้เรารู้ตามที่เขาเป็นไม่ใช่เขาเป็นไปตามที่เราต้องการนะถ้าเราให้เขาเป็นไปตามที่เราต้องการก็คือเราสามารถจัดการเขาได้เราไปบังคับบัญชาเขาได้ไปบังคับเขาไปควบคุมเขาไปกดดันเขาให้เป็นไปตามที่เราต้องการนี่ก็เรียกเป็นสมถะสมถะก็คือไปจัดการ นะเช่นจิตที่ไม่ดีก็ทำให้เขาดีนะจิตที่ไม okay. okay. ่ mm hmm. สงบก็ amental. ทำให้เขาสงบจิตที่ฟุ้งซ่านก็ทำให้เขาหายฟุ้งซ่านจิตที่เขาโกรธก็ทำให้เขาหายโกรธต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนะสิ่งเหล่านี้ก็เป็นสิ่งที่ดีนะถ้าเราคิดว่าในทางสมถะก็เป็นสิ่งที่ดีเพราะเราก็จัดการให้เขาได้นะเขาไม่สงบก็ทำให้เขาสงบเขาไม่ดีทำให้เขาดีต่างๆก็เป็นสิ่งที่ว่าเรานามาใช้ในกรณีต่างๆ แต่เราก็ต้องรู้ว่านั่นละ่ะก็คือสมถะเพราะเราไปจัดการเขาเราเราก็จะไม่เห็นว่าเราเขาเกิด ร, ระดับอของเขาเองนะไม่ใช่ว่าเราไปจัดการเขาครั้ น, นี้นะ่ะถ้าเราเข้ามาสู่ว่าเรารู้ตามที่เขาเป็นนะอันนี้ก็คือเราเห็นไปตามความเป็นจริงโดยที่เราไม่ไปจัดการอะไรเขารู้ไปตามที่เขาเป็นจริงๆเขาจะไม่ดีก็ได้นะจิตเราจะไม่ดีก็ได้จิตจะมีความโลภความโกรธความหลงความพุ่งสั้นก็ได้ แต่นั่นก็คือความจริงนะที่เขาแสดงออกมาแล้วว่าเขาเป็นเช่นนั้นเองนะเราไม่มีหน้าที่ไปจัดการกับเานะเช่นมีความคิดเกิดขึ้นเราก็ไม่ต้องไปให้กระดับเร็วๆนะเราก็มีหน้าที่แค่รู้แค่ดูไปแต่ในที่สุดความคิดก็จะแสดงความจริงมาว่าเอาเข้าเกิดขึ้นมาแล้วก็กระดับไปเท่านั้นเองนะอันนี้เราก็จะเห็นละภาวะธรรมที่เขาเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปอันเป็นการแสดงปฏิลักษณนะ์จิตก็จะเข้าใจในตรงนี้แล้วก็จะเกิดการ เ, าเกิดการไม่ยึดติดเกิดการปล่อยการวาง เพราะว่าเห็นแล้วว่าเราบังคับบัญชาก็าไม่ได้เลยเขาจึงไม่ใช่ตัวไม่ตนของเราที่ก็จะเกิดการเข้าใจในธรรมะในตรงนี้เพราะฉะนั้นจิตที่เห็นความจริงบ่อยๆนะเห็นสภาวธรรมบ่อยๆแล้วไม่จัดการเห็นหเฉยๆเห็นหเฉยๆ น, นั่นแหละนะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในใจเราความโลภก็ตามความโกรธก็ตามความหลงก็ตามสิ่งต่างๆเหล่านั้นมันเกิดขึ้นมาตามเหตุตามปัจจัยไม่ใช่ตัวไม่เหตตนอ เราก็มีหน้าที่แค่รู้แค่ดูแล้วก็จะแสดงความจริงในปไตยรักเราเห็นว่าเขาก็มีความไม่เที่ยงมีความทุกข์มีความเป็นหน้าตาเขาเกิดแล้วก็ดับเขามาแล้วก็ไปไม่ใช่ตัวเมใ่ใช่ตนจากการที่เราเห็นเช่นนี้บ่อยๆนะจิตจะมีความเข้าใจแล้วก็จะเกิดการปล่อยการวางการไม่ยึดมั่นถือมั่นการคลายออกจากการยึดติดเนาะอันนี้ก็คื อ, อสภาวะที่ว่าเราเข้าเข้าถึงธรรมะในตรงนี้แล้ว เนะพราะนั้นไงก็จะมาตรงตรงกับข้อภวตัณหานั่นคือความอยากได้อยากมีอยากเป็นเนะพราะคนที่มาปฏิบัติธรรมส่วนใหญ่ก็มีความอยากอยากได้อยากมีอยากเป็นกันทั้งทุกคนนะถ้าไม่อยากได้เราจะมาทำไมใช่ไหมตรงนี้ก็คือความความที่เรียกว่าเป็นธรรมดานะไม่ใช่เป็นเรื่องผิดนะแต่หลวงม่เทียนก็บอกว่าอยากอยากรู้อยากเห็นอยากเป็นอยากมีนะเพราะฉะนั้นในภาวตัณหาก็บอกตรงนี้เหมือนกันว่าการที่เราอยากได้นั่นแหะก็คือภวตัณหาตัวหนึ่ง เพราะเราก็ปฏิบัติทําได้นะด้วยความอยากได้แต่เมื่อเราเข้าใจทำแล้วก็คือเราก็ปฏิบัติด้วยความพอใจอด้วยการที่เรกว่าเป็นเครื่องพุทธบูชาไม่ต้องอยากได้อะไระก็ทําไปเรื่อยๆได้หรือไม่ได้ก็ไม่เป็นไรอันนี้เราก็ไม่ทุกนะแต่ถ้าเรามาด้วยความอยากได้เออมา 3-4 วันแล้วทําให้เราปฏิบัติทําแล้ว ย, ยังไม่ได้อะไรเราก็มีความทุกข์ใช่ไหมมีความทุกข์เพราะความอยากนั่นแหละแต่พอปฏิบัติได้มันได้แล้วเป็นอย่างไรมันก็ไม่เที่ยงอีกเพราะเป็นเป็นปฏิลักษ์เราก็ มันก็ไม่เที่ยงนะมันก็วนไปเช่นนี้เราก็มีความทุกข์อีกนะอยากได้ไม่ได้มันก็มีความทุกข์ความปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นก็เป็นทุกข์นะเมื่อได้แล้วมันก็ไม่เที่ยงอกีกแล้วก็มีความทุกข์อีกเพราะฉะนั้นแทนที่เราจะมีความทุกข์จากการปฏิบัติธรรมเรามาเห็นปฏิรักได้ไหมว่าเนี่ยเขาแสดงปฏยรักแล้วว่าเราบังคับบัญชาก็ไม่ได้เขาจึงไม่เที่ยงนะเมื่อวานเราปฏิบัติแล้วมันดีอ่ามันดีมันรู้สึกตัวทั้งวันวันนี้มันไม่ดีอ เรากลับมาเห็นนิดนึงว่านี่เขาแสดงปัตยรักแล้วแสดงความไม่เที่ยงให้เราเห็นแล้วนะนี่แหละคือความจริงเราบังคับก็ไม่ได้เขาจึงไม่เที่ยงนี่มันตรงนี้คือมันก็เกิดปัญญานะเกิดปัญญาในการรู้เห็นความจริงว่าเราบังคับบัญชาก็ไม่ได้นะการที่เราเห็นเช่นนี้บ่อยนั่นแหะมันจิตก็จะเข้าใจว่าเพราะเราบังคับบัญชาก็ไม่ได้เขาจึงไม่ใช่ตัวตนของเรามันก็จะเกิดการคลายออกจากการยึดติดในตัวตนนี้นะ เราหลังนั้นความทุกข์ก็จะลดลงไปเรื่อยๆเพราะยิ่งยึดในสิ่งใดสิ่งนั้นก็นําความทุกข์มาให้เรานะักใครคนนั้นก็จะนําความทุกข์ให้เรานะยึดมั่นใครคนนั้นก็นําความทุกข์มาให้เรายึดตัวเราก็ยิ่งทุกข์ใหญนะ่เพราะตัวเราเป็นเหตุ ข, ของความทุกข์ทั้งปวงเพราะมันก็ต้องละที่ตัวเราก่อนนั่นแหละเนาะแล้วเสร็จแล้วน่ะการนี้เราไปผักใส่เขาก็เป็นวิภาวระทันหาอีกนะ เราโกรธเราไปผักใส่ไปผักใส่เขานี่ก็เป็นวิภาวตันหาก็คือผักใสในสิ่งเราไม่ชอบนะการผักใสการที่เรา cloud, ไม่อยากได้ในสิ่งเราไม่ต้องการนั่นแหละเป็นวิภาวตันหานะมันก็อยู่ในตันหาทั้งหมดตรงนีนะ้คนที่ไม่รู้ก็ไปเจริญตันหาทั้งหมดเลยตันหาเป็นสิ่งต้องละแต่กลับไปเจริญในสิ่งเหล่านั้นแล้วมันจะพ้นทุกได้อย่างไรเนา ะ, นะตรงนี้ก็เป็นประเด็นที่ว่าเรา อาจะต้องกลับมาเห็นกันในการปฏิบนะัติธรรมว่าเราจริงๆแล้วเราไม่ได้ปฏิบัติเพื่ออะไระไม่ได้ต้องการอะไรเลยะแต่ว่าจุดหมายก็คือการพ้นทุกเท่านั้นนะตรงนี้มันก็เป็นหนทางที่ไม่ผิดเพี้ยนเพราะท่านเลยอย่างนี้ไปไม่ได้ปฏิบัติคือการพ้นทุกแล้วมันจะกลายเป็นผิดเพี้ยนไปทั้งนั้นแล้วมันจะไม่ออกจากความทุกข์ได้จริงๆแต่กลายเป็นการติดการยึดการอยากได้การอยากมีอยากเป็นแทบทั้งนั้นนะตรงนี้ก็จะเสียเวลากับพวกเรานะ อันนี้นะเมื่อเราเดินในทางที่ถูกต้องแล้วนะเราก็เริ่มต้นเราก็มารู้สึกตัวให้ได้ก่อนเนา ะ, ะรู้สึกตัวก็คือรู้จกักรู้ที่ไหนก็รู้ที่ทานกายนะั่นแหละพระพุทธเจ้าก็บอกว่าอย่างไรนะก็พูดในสติปัฏฐานสี่ว่ายืนให้รู้ว่ายืนเดินให้รู้ว่าเดินนั่งให้รู้ว่านั่งนอนให้รู้ว่านอนเนาะเพราะฉะนั้นตอนนี้ถ้าเรารู้ว่าเรากําลังนั่งอยู่นะอันนี้ก็เป็นการปฏิบัติธรรมที่จบแล้วเนาะ แค่นี้เองนะหรือตอนนี้เรายกมือสร้ายยังหวะก็รู้ว่าเรากําลังสร้ายยังหวะอันนี้ก็ประรับจบแล้วเพราะเรารู้ตามความจริงในขณะนั้นนะเราเดินนะรู้ว่าเรากําลังเดินนี่ก็ประธทับจบแล้วเนาะมันเป็นสิ่งระประดับธรรมมันจบในตัวอยู่แล้วมันไม่ต้องมีอะไรมากไปกว่านั้นเนะาะพระพุทธเจ้าก็ได้บอกอีกแล้วว่ า, าเหลยวซ้ายแลขวาเดินหน้าถอยหลังคู่แขนเหยียดแข น, นก้มเงยดื่มกินพูดคิด ทรงจีวรสังฆาติอุจฉะปั ส, สวะดื่มลิ้มกินเคียวก็ให้รู้ว่าขณะนั้นกําลังทําอะไรอยู่นะตรงนี้ก็คือกลับมาอยู่ในชีวิตประจําวันเรานั่นเองนะการปฏิบัตินั้นมันไม่เช่ยวไปัติที่ไหนนะแต่ต้องไปปฏิที่ที่วัดหรือสถานปฏิบัติธรรมใดๆนะแต่ว่ามันปฏิบัติที่กายและใจของเรานี่แหละกายและใจเราอยู่ที่ทไหนก็คือปฏิบัติธรรมที่ตรงนั้นได้ใช่ไหม กายและใจตอนนี้เราอยู่ที่วัดก็คือปฏิบัติตรงนี้นะเมื่อเรากลับไปบ้านก็คือปฏิบัติที่บ้านแค่นั้นเองนะไม่ใช่ว่าเรากลับไปบ้านโอ้มันปฏิบัติไม่ได้แล้วมันไม่ใช่มันไม่ไม่ถูกต้องนะข้อการเจริญสี่นี่เจริญที่ไหนก็ได้นะพระพุทธเจา้านี่ไม่ได้ให้ปฏิบัติที่ไหนเลยอยู่ที่ตัวเราเองทั้งนั้นทั้งนั้นนะสมัยก่อนก็ไม่มีวัดไม่มีสถานปฏิบัติทําใดๆแต่ท่า น, นให้กลับมาอยู่ที่ตัวเราเองนั่นแหละเพราะนั้นการที่เราสามารถที่จะทําได้ต่อเนื่องไหม ตรงนี้มันสาคัญกว่าใช่ไหมไม่ใช่ตอนนี้เรามาวัดเราก็ปฏิบัติธรรมสามสี่วันตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติธรรมพอกลับไปบ้านนี่ทิ้งหมดเลยนะอันนั้นแสดงว่าเราไม่เข้าใจนะเพราะการปฏิบัติธรรมมันทําได้ตลอดเวลาอยู่แล้วใช่ไหมดูกายดูใจตามรู้กายตามรู้ใจเราก็ทําได้ตลอดเวลานะเพราะฉะนั้นเราก็ตรงนี้เริ่มต้นเนา ะ, ะการสร้างยังหวะการเดินจังกลมก็เป็นเรื่องของรูปแบบการปฏิบัติธรรม ส่วนนอกรูปแบบก็มากมายนะอย่างที่พระอาจารย์เบสารก็ถามอารมณ์มัธยนตอนไปบัติใหม่ๆว่าจะบัดเวลาไหนบ้างครับอารมณ์มัธยมบอกว่าไปบัตดตั้งแต่ตื่นนอนถึงเข้านอนเลยนะก็คือเนี่ยตื่นนอนปุ๊บก็ล้างหน้าแปรงฟันอาบน้ำํำผ้าผ้าหมต่างๆก็รู้สึกตัวไปตามที่เขาเป็นตามความเป็นจริงไม่ต้องบังคับให้รู้ตลอดเวลานะไม่ใช่แปรงฟันอ่ะหนาทีรู้ตลอดห้านาทีเลยอันนั้นก็ไปบังคับเขานะหรือผ้าผ้าหม ตลอดรู้ตลอดเวลาแล้วก็ไปบังคับคเหมือนกันนะก็รู้ไปตามความเป็นจริงนั่นแหะก็คือรู้มั่งหลงมั่งคำว่ารู้ตอนเนิ่บบุลกโซก็คือมันไม่ใช่ว่ารู้ตลอดเวลาไม่ใช่รู้แบบยาวเหยียดนะรู้เป็นวันรู้เป็นชั่วโมงอันนั้นไม่ใช่นันไปไปจ้องไปเพ่งไปจ้องเขาต่างหากเนาะไปคอยตามรู้ประคองตัวรู้เกินไปนะครั้นี้เราก็รู้แบบเป็นขณะขณะนะ คำว่าลูกโซ่ก็คือรู้เป็นครั้งครังรู้เป็นขณะขณรู้เ ป, นนเป็นไขป่ปลาเป็นจุดๆุดนะไม่ได้รู้ยาปเป็นเหล็กเส้นนะแต่ส่วนมากพอได้ยินคําว่ารู้ตอนเนื่องปุ๊บมันก็กลายปเป็นเหล็กเส้นกันไปนะต้องรูย้ยาวๆอะไรเงี้ยนะ น, นั้นอันนั้นไม่ใช่อันนั้นไปกลายไปเพ่งไว้หมดเลยเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่เพ่งเราจะรู้สึกว่เาเข้าหลงได้นะหลงแล้วก็กลับมาทําอะไรหลงแล้วก็กลับมานั่นแะหละอันนี้จึงจ ะ, ะชํานาญนะชนานาญก็คือมีทักษะในการที่เข้าหลงแล้วกลับมา ไม่ใช่ไป บ, บังคับให้เขาเป็นไปตามเราต้องการต้องรู้ยาวๆนะอันนั้นไม่ใช่ความจริงแต่การเรารู้เป็นครั้งๆนัเราก็รู้ไปตามที่เขาเป็นนะเพราะการที่เขาหลงแล้วกลับมานั้นก็จิตมันก็มีการตื่นตัวมาครั้งหนึ่งนะคือการประัตนี้เป็นการให้จิตเขาตื่นนะไม่ใช่ให้ให้เขาจิตสงบอะไรหรือว่าต้องมีอะไรสักอย่างหนึ่งที่มันแปลกๆใช่ไหมเพราะว่าเราเราแค่ให้จิตเขาตื่นรู้เท่านั้นเองนะเรามายกมือสร้างอยู่บะ อันนี้ก็เป็นให้การให้กายกายเขาตื่นตื่นกายตื่นกายจิตก็จะเกิดการตื่นรู้ในกายขึ้นมาที่เขาตื่นตื่นตื่นกายนั่นแหละทําให้จิตเขาตื่นร <Yeah. S 1> ู้นะจิตมันเป็นสิ่งที่ว่าเราต้องฝึกเขานะในการตื่นรู้เขาเรียกเป็นการเขย่าธาตุรู้นะเพราะจริงๆแล้วคนเรามีธาตุรู้ทุกทุกคนเขาเรียกวิญญาณธาตุวิญญาณธาตุนั้นอย่างพระรหันต์ั้นท่านก็ตื่นรู้ร้อเปอร์เซ็เลยคือความเป็นวิญญาณท่านก็ตื่นเต็มที่แล้ว แต่พวกเรานี่มีทุกคนนะมีทุกคนวิญญาณธาตคือธานรู้มีทุกคนเพราะว่าพระอรหันต์ก็มาจากพวกเราคนธรรมดา น, นี่แหละใช่ไหม <c oughs> เพราะฉะนั้นตรงนี้เราจะตื่นรู้เพียงเล็กน้อยอาจจะห้าเท่านั้นแต่มีทุกคนเราก็มาเขย่าให้เขาโตขึ้นให้เขาตื่นรู้มาก ๆ, ๆบ่อยๆการเขย่าคืออะไรก็คือกลับมารู้สึกตัวนั่นเองเข้าหลงไปก็กลับมารู้สึกตัวเข้าคิดไม่เป็นไรนะเราไม่ไปห้ามความคิดคิดไปไม่เป็นไรก็กลับมารู้ว่าเขาคิดไปแล้ว รู้แล้วจะดับหรือไม่ดับก็ไม่เป็นไรอีกก็แค่เรารู้มีความคิดเกิดขึ้นก็พอแล้วนะพระหลวงพระเถรเองจึงบอกว่ายิ่งคิดยิ่งรู้นะยิ่งคิดยิ่งรู้นะยิ่งเรายิ่งคิดนะคิดไปร้อยครั้งรู้สักแปดิบครั้งเนีโอ้จิตมันตื่นขึ้นมาเยอะมากเลยนะตรงนี้เราก็จะเห็นความคิดได้ชัดเจนนะเพราะฉนั้นหลวงพระเถรก็เลยบอกว่าให้เห็นความคิดไม่เข้าไปในความคิดแล้วก็ไม่ห้ามความคิดด้วยนะ เพราะตรงนี้ถ้าเราเข้าใจมันก็มันเป็นสิ่งที่เราสามารถทําได้นะบางทีเราไม่รู้สึกตัวเพราะว่าเรากลับไปทํางานเราจะไม่รู้สึกตัวอะไรไม่ค่อยได้หรอกแต่ว่าเราสามารถเห็นความคิดได้นะมันเป็นสิ่งที่มันง่ายถ้าจิตมันตื่นแล้วมันเห็นความคิดได้บ่อยๆนั่นแหละที่มามันก็เห็นความคิดเออมันหลงไปก็กลับมาหลงไปก็กลับมานี่เป็นการปฏิธรรมแล้วนะมันไม่ต้องไปนั่งสร้างจังหวะเดยยังกลมนะเราอยู่วัดเราทําได้แต่เรากลับไปที่บ้านไปที่ทํางานมันทําตรงนั้นลําบากที่มาเราก็ใส่ตรงนี้จิต จิตคิดไปหลงไปรู้ทันเนี่ยมันทําให้จิตมันตื่นนะรู้รู้บ่อยๆนะมันจิตมันตื่นตัวขึ้นมาอย่างที่หลวงพ่อคําเขียนบอกว่ า, วาดูกายเห็นจิตดูคิดเห็นทำนะพราะเราดูความคิดมันก็เห็นธรรมเห็นธรรมในการที่ว่าเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปบังคับบัญชาไม่ได้นี่แหละเขาทํางานทั้งวันเนาะตรงนี้เราสามารถทําได้ตลอดเวลาเลยนะก็กลับมาสังเกตกายและใจของเราเนี่บยบ่อยๆนะ เขาเขาหลงไปรู้ทันหลงไปรู้ทันเขาโกรธรู้ทันนะเขารักรู้ทันเขาเกลียดรู้ทันเขาชอบเขาอิจฉารู้ทันนะพอรู้แล้วเป็นยังไงนะกิจพวกเรานี่นักปฏิบัติอยู่แล้วพอรู้แล้วเขาเขจะลดลงไปเขาจะเบาลงไปเองนะไม่ใช่รู้ทันความโกรธแล้วมันโกรธมากขึ้นอันนั้นไม่ใช่นะอันนั้นแสดงว่าเรายังรู้ไม่ไม่รู้จริงจริงนะเพราะว่าความทุกข์เนี่ยมันมันเป็นสิ่งมีความจริงไหมความโกรธก็เป็นความทุกข์ความรักก็เป็นความทุกข์เนี่ย ถ้าเราเข้าใจอย่างที่พู้เจ้าบอกนะให้เรารู้จากความทุกข์ไว้ก่อนแล้วเราจะรู้ว่าความโกรธเป็นความทุกข์ปุ๊บเราก็ไม่อยากโกรธนะ เ, เราโกรธคนอื่นเราก็มีความทุกข์เพราะนั้นเมื่อเรารู้ทางปุ๊บมันจะดับแต่ถ้าใครไม่รู้จักความทุกขนะ์เนี่ยพอมันโกรธขึ้นปั๊บเนี่ยมันกไ็ไม่ดับง่า ย, ายๆหรอกเพราะว่า เ, าเขาไม่รู้ว่าเป็นความทุกข์แล้วเขาก็ไปไปด่าเขาต่อไปเถียงเขาปเป้าชนะเขานะเพราะว่าก็มีความเป็นตัวเป็นตนต้องชนะเขาต้องดีกว่าเขาต้องเถียงชนะเขา เราต้องมีศักดิ์ศรีเหนือเขาน่ยมันจะไม่ดับความโกรธจะไม่ลดลงเหมืนกับแม่ค้าเนี่ยเขาก็รู้นะเขาโกรธเขาก็รู้แหะแต่ว่าเขาก็ยังด่ากันต่อต่อชนะกันให้ได้เพราะว่าเขายังไม่เข้าใจในเรื่องธรรมะแต่คนที่มีธรรมะแล้วพอรู้เท่าทันทุกอารมณ์นะแม้แต่ความรักความพอใจมันก็จะลดลงทั้งนั้นเพราะเรารู้ว่าสิ่งเหล่านั้นมันไม่เที่ยงนะมันจะลดลงไปในตัวเลยเพราะเรารู้จักเรามันทุกอย่างมันคือความทุกข์หมดทุกอย่างไม่ตัวไม่ตนหมดไม่ควรจะยึดมั่นถือมั่นมันจะลดลงมาได้เอง นะเพราะนั้นประเด็นสำคัญในจริงๆแล้วเนี่ยก็คือกลับมารู้จักความเป็นจริงในตรงนี้นะถึงกายและใจตามความเป็นจริงซึ่งจริงๆแล้วกายและใจเนี่ยเขาไม่ได้สแสดงอะไรเยอะเลยเขาสแสดงไตรักตลอดเวลานะนะสแสดงความไม่เที่ยงตลอดเวลาอยู่แล้วตรงนี้เราเราสามารถเห็นเห็นเขาได้ไหมใช่ไหมการประมเนี่ยมันดูกายดูใจเพื่อหเห็นใจรักเท่านั้นเอง กนะายนี่เขาไปเปลี่ยนแปลงตลอดเวลานะเราสังเกตดูเขาเปลี่ยนแปลงเข้าไปเรื่อยคือไว้ว่าภายในเขาทางานเองหมดทุกอย่างอยู่แล้วเราไม่ต้องไปบังคับอะไรคนทั้งสิ้นเลยนะหายใจก็หายใจเองไม่ต้องไปสั่งเขา้าหัวใจก็เต้นเองรับประทานไปแล้วกระเพาะอาหารก็ทํางานเองเลงือดน้ําเหลือดน้ําเลือดต่างๆทํ า, ง า, ง, าทงานเองทั้งหมดนะไม่ต้องไปบังคับเขาให้ทํางานเนี่ยร่างกายเขาทํางานเองทั้งหมดเขาแก่เขาแก่เขาเองนะผมงอกตาฟังหูตึง ผิวหนังย่อนหรือนะมันแก่ไปเรื่อยๆโซมไปเรื่อยๆเป็นโรคภัยไข้เจ็บอันนี้มันเป็นเรื่องที่เขาเป็นเป็นของเขาเองนะเราไปบังคับก็ไม่ได้อยู่แล้วนะนี่คือความที่เราบังคับก็ไม่ได้ <found ing> เขาแสดงไปใจรักเราเห็นนะเดี๋ยวนั่งก็ต้องเปลี่ยนเป็นยืนเป็นนอนต้องไปเดินเราทนไม่ได้หรอกนี่เป็นความทุกข์ต่างหากใช่ไหมเราเร า, เราเปลี่ยนเพราะอะไรเราเปลี่ยนเพราะว่าเราแก้ทุกข์ต่างหากใช่ไหมไม่ได้เปลี่ยนเพื่อความพอใจเรานั่งนานๆปวดเมื่อย เราลุกขึ้นมเราก็ต้องรู้ว่านี่เป็นการแก้ทุกข์น ะ, ะมันแก้ทุกข์ทั้งนั้นอนะ่ะไปนอนไปกินข้าวไปปสัสสาวะเจระมันเป็นการแก้ทุกข์ทั้งนั้นเลยใช่ไหมเนี่นี่ก็คือปไตยรักนะอนิจจังทุกขัง อ, อนัตตาเราเห็นไหมใช่ไหม อ, อนัตตาก็แสดงตลอดเวลาอยู่แล้วใช่ไหมเราบังคับก็ไม่ได้หรอกเราเดินจงกรมนะหนาทีมันคิดไปไม่รู้กี่เรื่อง5นาทีเดี๋ยวคิดเรื่องโน้นเรื่องนี้นะคิดเป็น10บสเรื่องเลยแค่5นาทีแล้วเรา ตรงเนี้ยมันเป็นความคิดเราหรือเปล่าใช่ไหมอ่าก็มีการประเมินว่าวันหนึ่งเราคิดประมาณ5้า0 0ื่นเรื่องนเนาะไอ้ความตั้งใจที่เราคิดนะ่ะมันสักร้อยเรื่องได้ไหมได้ไหมสแสดงอีก 49,900 เรื่องก็เป็นสิ่งที่เขาคิดเองเราไม่ได้ตั้งใจคิดเลยเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เขาทำงานเองนะจิตมันทํางานเองมันคิดของเขาเองนั่นแหละนะตรงนี้เราเห็นไหมเออเราเราเดินจงกรมนะเราเดินแล้วก็ดู ก็ดูกายเดินแล้วก็เห็นกายมันเดินไปนะไม่ใช่เราเดินก็เห็นกายมันเดินไปเราก็เป็นผู้ด <Jub ilee> ูกายมันเดินประเดี <native> ๋ยวเดินเดินอยู่มีความคิดแวบไปเราก็เห็นเออมันก็แวบไปเราก็ดูดูความคิดไปเราก็กลายเป็นผู้ดูนะเป็นผู้ดูกายเป็นผู้ดูใจมันคิดก็เรากลายเป็นผู้เห็นการทํางานของกายและใจนะเห็นเออมันกายมันเดินนะมันไม่ใช่เราเดินหรอกมันเป็นอาการบางอย่างที่มันเกิดขึ้นในทางกายเท่านั้นเองความรู้สึกก็เป็นแค่ความรู้สึกไม่ใช่เรารู้สึก มันก็เป็นแค่ทางกายเท่านั้นเพราะฉะนั้นเมื่อมีความคิดเราการที่เรารู้ทันความคิดนะั้นเป็นสติแล้วนะแต่ถ้าเรารู้ว่าเออเขาคิดเองนะไม่ใช่เราอันนี้เป็นการเดินปัญญาภายในตัวนะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยอย่างบางทีเราก็เห็นชัดๆเลยนะว่าความคิดมันก็ดับไปมันเกิดแล้วมันก็ดับไปแต่ว่าเราเห็นแค่นั้นมันมันไม่ได้มันแค่เห็นเท่า น, นั้นเองว่ามันดับไปแต่ว่ามันไม่ได้ไม่ได้กลับมาสอนจิตกลับมาอารมจิตกลับมาชี้ให้จิตเขาเห็นว่าเออเขาก็ดับไปแล้วนะ บางทีเราก็เห็นมันดับกันแล้วนะคือใจมันเห็นแม้ว่ามันดับไปแล้วเนี่ยตรงนี้มันจะเกิดปัญญานะเห็นว่าเออเข้ามาแล้วก็ไปเขาเกิดแล้วก็ดับนะเพราะฉะนั้นอ่าเราสามารถเห็นได้ไหมว่าความคิดมันเกิดขึ้นแล้วมันเกิดขึ้นเองไม่ใช่เราคิดนะมันทํางานมันเองเนี่ยตรงนี้ถ้าใครสามารถเห็นความคิดที่มันทํางานได้เราก็เห็นมัานยเรามังค่าบัญชาก็ไม่ได้หลอกเขาทํางานเองเพราะนั้นก็จึงไม่ตัวไม่ตนของเราเเพราะตรงเนี้ยมันแค่ห้านาทีเราก็ เกิดปัญญามากมายแล้วในการเห็นความคิดมันทํางานเองนะเพราะมันคิดอยู่เรื่อยๆเนาะเพราะฉนั้นจึงไม่ต้องไปห้ามความคิดถ้าเราเห็นบ่อยเท่านั้นเองนะมันก็จะรู้เลยนะเพราะฉะนั้นลวงพรทศนจึงบอกว่ายิ่งคิดยิ่งรู้นะยิ่งคิดยิ่งรู้คือเรารู้ความคิดอ่ะยิ่งคิดยิ่งรู้นะมันเป็นการเขย่าธาตรู้ขึ้นมาให้มีสติโตขึ้นมาความมันผู้รู้มันโตขึ้นมาในขณะเดียวกันถ้าเราเห็นว่ามันทํางานเองมันคิดมาเองมันไม่ใช่เราคิดอันนี้ก็เป็นการเจริญปัญญาในตัวคือเห็นไตรลักษ การบังคับบัญชาไม่ได้ความเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปการได้เห็นเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยสิ่งนี้เนี่ยมันจะเป็นการะสะสมใ ห, ให้เราเกิดสติปัญญาเกิดความรู้ทันเกิดปัญญาในการที่ว่าเห็นมบไตลักษณได้ บ, บ่อยๆในสุดถ้าเราเห็นตรงนี้ บ, บ่อยๆจิตก็จะเริ่มการปล่อยการวางการไม่ยึด ต, ติดการคลายออกจากกิเลสตัณหาแล้วก็ความเป็นตัวตนมันก็จะลดลงนี่แหละเป็นหนทางแห่งความค้นทุกข์ นะเพราะฉะนั้นตรงนี้คื อ, คอเราก็ต้องเห็นมันบ่อยๆนะไม่ใช่เห็นครั้งสองครั้งแล้วเออมันทำไมไม่ดีขึ้นทําไมไมันไม่ดับทุกขนะ์ต้องเห็นบ่อยๆเห็นเป็นมากมายนะจิตมันจะค่อยๆเข้าใจได้เองแล้วในขณะนั้นนะจิตมันค่อยๆสรุปเีนะ่ตรงนี้นะมันไม่ใช่ตัวไม่นตนหรอกนะพอมันรู้ว่าไม่ใช่ตัวไม่นตนปุ๊บมันก็จะปล่อยการวางการยึดติดในตัวตนนะแล้วอย่างอื่นก็จะปล่อยวางไป็มันทั้งหมดนะนไม่ไม่มีลูกไม่มีเมียของเราไม่มีสมบัติไม่มีสิ่งใดของเรามันจะวางไปเองนะ จากการวางเนี่ยจิตก็ค่อยๆปล่อยแล้วมันจะพ้นทุกข์ดับกิเลสไปในตัวนะเพราะฉะนั้นการจบพบจบชาตินะความพ้นทุกข์มันต้องอยู่ในชาตินี้อยู่ในปัจจุบันนี้ไม่ต้องไปรอชาติหน้านะเพราะว่าถ้าชาตินี้มันมีทุกข์ในชาติหน้ามันก็จะมีทุกข์แต่ถ้าเราดับได้ในชาตินี้ในปัจจุบันนี้แหล ะ, ะมันก็จะจบในชาตินี้เนาะเพราะฉะนั้นโดยท้ายสุดนี้ขอรัฐรัฐนาบารมีคุณพระตาไตรน้อมนําทุกท่าน จเจริญด้วยศีลสติสมาธิปัญญาและถึงซึ่งความพุทธได้เดีรยวพานุทันเทิน